ที่เอาทัสุตระโสมาเรียนก็เพื่อที่จะเรียนพุทธคุณนั่นหลเพราะว่าในทัศุตระโสเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงหัวข้อธรรมะสิบข้อหัวข้อธรรมะสิบข้อแล้วก็สิบข้อเนี่ยจะเป็นหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่จนถึงหมวดสิบเรียกว่าตระตัวหลังเนี่ยแปลว่ายิ่งก็คือยิ่งกว่าสิบนั่นนะก็คือค่อยๆขยายไปเรื่อยๆมัน จะเท่ากับพระธรรมห้าร้อยห้าสิบหัวข้อในพระธรรมในทัศุตรสูตรชี้ชัดในหมดว่าสัมมาสัมพุโทโธนั่นซึ่งคณะของเราก็เรียนพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุโทโธมาสักเกินปีแล้วนะถึงปียังจุนบนะ า, า, าเกินปีแล้วเนอะสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเกือบปีแล้วใช้เล่มเดียวเกือบปีเล่มนิดเดียว มันเมื่อมีความเข้าใจในพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยนะการศึกษาพระธรรมของเราก็จะเบาลงที่เบาลงเนะี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าใจชัดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อเราเข้าใจชัดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นนะ่ยการศึกษาและการปฏิบัติของเราก็คือเพื่อรู้ตามนั่นะซึ่งหัวข้อที่พระองค์ตรัสรู้ก็ชัดเจนเนี่ยนะวัน กิจของสาวกทั้งหลายก็คือฟังเมื่อฟังเสร็จก็ตั้งใจสมาทานอธิษฐานเจริญตามปฏิบัติตามเนี่ยนะท่านการศึกษาพุทธคุณบอกว่าสัมมาสัมพุทโธนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าในธรรมะเหล่านั้นจะมีหัวข้อธรรมตั้งแต่ธรรมะที่มีอุปการะมากธรรมะที่ควรเจริญธรรมะที่ควรทาให้แจ้งธรรมะที่ควร เป็นไปในความเสื่อมเป็นไปในความเจริญเนี่ยนะหัวข้อคือกลุมอภินญ ย, ยธรรมปริญัยธรรมพะเวตาธรรมปาปะหาตปธรรมสัจชิกาตปธรรมนะนอันแล้วก็มีหัวข้อที่ว่าธรรมะที่ทำให้เกิดได้ยากธรรมะที่มีอุปการะมากเป็นต้นอันหัวข้อทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเป็นหัวข้อที่สำคัญมากต่อการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยนั้นอันเนื่องมาจาก คุณหมอพูดถึงสังเวชนียสถานนะนะไปไหว้สถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือที่ต้นพระศรีมหาโพนี่ในละแวกนั้นจริงๆแล้วมีสัตตมหาสถานน่นนะเรียกว่ามีสถานที่ยิ่งใหญ่ยอยู่เจ็ดแห่งด้วยกันแห่งแรกก็คือที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้ธรรมเน่ยนะวชระอาจหรืออาสนะประดุษเพชรหรือโพธิบาลังเนี่ย บาลังที่นั่งแล้วให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์นั่งสวยวริมุตติสุขอยู่เจ็ดวันสถานที่ที่สองก็คือสถานที่ที่พระองค์เนี่ยยืนดูอนิมิสเจดีเนี่ยนะที่ยืนดูแท่นวัชระอาจอยู่เจ็ดวันสถานที่ที่สามก็คือสถานที่พระองค์เดินจงกรมระหว่างต้นพระศรีมหาโพกับที่ที่พระองค์ยืนดูนั่นแหละ เดินอีกเจ็ดวันก็สามแห่งแล้วใช่ไหมแห่งที่สี่ก็คืออาชะปาระนิคโครธก็คือต้นโคนต้นทรายเนี่ยนะโคนต้นทร า, ายเออขออภัยรัตนเจดีก่อนนะที่สี่ก็คื อ, อรัตนคระเจดีก็คือพิจารณาอภิธรรมปิดกหลังจากนั้นก็ประทับที่คนต้นทรายแล้วก็ที่สัมมุจจลินที่ราชายาตนะนะต้นราชายาตนะ แล้วก็ตอนหลังมาประทับนั่งที่ต้นอาชาไมโครธอีกครั้งหนึ่งทีนี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าแรกตรัสรู้เนี่ยนะประทับนั่งอยู่บนอาสนะที่ที่ทาให้พระองค์บรรลุเนี่ยคือพระองค์เนี่ยบรรลเุเช้าวันที่รุ่งอรุณของวันแรมหนึ่งค่ำนะพระองค์ประทับนั่งในคืนวันวิสาขะแล้วก็ประทับนั่งไปจนถึงรุ่งอรุณของ ของวันแรมหนึ่งค่ำเนี่ยวันนั้นพระ อ, องค์ก็ช่วงเช้าเนี่ยพระ อ, องษ์ก็บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรอองษ์ก็ประทับนั่งณนะที่นั้นต่อไปอีกเจ็ดวันวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกนะทั้งทั้งกลางวันของวันที่หกเนี่ยนั่งเข้าพระสมาบัติทั้งนั้นเลยตลอดหกวันนั้นอนะเข้าพระสมาบัติทีนี้คืนสุดท้ายของวันที่เจ็ดคืนของวันที่เ็ดเนี่ย ตั้งแต่หัวค่ำคือตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มพระองค์พิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมนะแล้วก็อุทานถึงว่าสมุติทุกข์ขั์ทั้งหลายเนี่ยเกิดจากปัจจัยนี่นะพอมีปัจจัยถึงพร้อมทุกข์ขัดเนี่ยเกิดขึ้นมัชิมยามแห่งราตรีคือช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองพระองค์ก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมนี่นะ พูดถึงว่าปัจจัยธรรมทั้งหลายที่ดับก็เพราะดับทุกขสัตว์เนี่ยนะที่จะดับได้ก็เพราะอาศัยการดับสมุทัยสัตว์เนี่ยนะก็คือเน้นพิจารณานิโรสัตว์นั่นเองช่วงตีสองถึงหกโมงเช้านี่ยนะอีกสี่ชั่วโมงพระองค์พิจารณาทั้งอนุโลมและปฏิโลมพระองค์ก็ประกาศอนุภาพแห่งอริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคที่ทำให้ตรัสรู้นนะ คืออริยมรรตที่กําหนดรู้ทุกละสมุทัยธรรนิโรธให้แจ้งกันนั้นทีนี้พอพระองค์พี่เจรณาดูอย่างนั้นเสร็จเนี่ยนะมหากรุณาของพระองค์นี้ก็เกิดขึ้นที่เรียกว่าพระองค์นี้บรรลุแล้วจะทำะจะจะช่วยให้ผู้อื่นบรรลุ ด, ด้วยเนี่ยนะจะช่วยให้ผู้อื่นบรรลุดได้อย่างไงเนี่ยก็พิจารณาถึงความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายก่อนว่าปกติสัตว์นี่เป็นยังไงคือความเป็นอยู่ของสัตว์ประสาททั้งหลายเนี่ยเป็นยังไง ก็เหมือนอย่างว่านะผู้การขับรถไปก็ดูข้างถนนเออนี่จะไปช่วยพวกนี้ให้มันรู้วอารยสัตว์ได้ยังไงผู้การทําได้ไงบอกวิธีมาหน่อยบอกว่าเออเนี่ยเปิดเป็นทางวิทยุเหมือนกันะมีบุญก็ฟังไปเหมือนกันพวกมีวิธีผู้การนะกัอนอื่นมีวิธีอย่างอื่นไหมมันนะเมื่อเขาเล่นกีฬากันนี่เว้ยเอจะช่วยคนเหล่านี้ให้บรรลุอารยสัตว์ได้ยังไงเนี่ย หรือว่าเขากําลังดูไอ้มาหากรรมอะไรทั้งหลายแหละในโลกเนี่ยนะที่เพลิดเพลินกันเต็มที่สนุกมีความสุขเนี่ย น, นะหรือว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าทีวีแต่ละช่องเนี่ยนะถ้าเปิดหนึ่งแวบขึ้นมาเนี่ยมีสายตาที่จ้องดูเนี่ยหนึ 1, 000, ่งล้านคู่นี่ น, นะประมาณหนึ่งล้านคู่อันนะั้นเวลาธรรมดาธรรมดาถ้าเวลาสําคัญสําคัญก็เกินกว่านั้นอีกมากนี่ น, นะจะช่วยให้เขาเขาเหล่านั้นอะที่ดูที่เพลิดเพลินในการดูเพลิดเพลินในการฟังเนี่ยเป็นต้นเนี่ย ให้เขาเข้าใจอริยสัจได้ยังไงอันนี้นิพูดถึงแบบถ้าเปรียบแบบยุคนี้นะของสมัยพุทธกาลเนี่ยพระองค์ก็พิจารณาในในสัตว์ทุกภพภูมิในตลอดสรรพสัตว์ทั้งหมดในโลกกระธาตเป็นอนิจด้วยพุทธจักสุกนี่นะพุทธจักสุกก็คืออาสยานุสยายานกับอินทรียโปรโปริยติยานอย่างด้วยอัธยาศัยอนุใสเจริตอธิมุตของสรรพสัตว์ทั้งหมด แล้วดูว่าอินซีเนี่ยนะศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานี่แค่ไหนมีมากหรือมีน้อยสงเคราะห์ได้ไหมสอนได้หรือสอนไม่ได้อันนี้พระองค์ก็พิจารณาพอพิจารณาสิ่งที่เห็นเหมือนกันหมดคือในโลกสูตรคุธการนิกายคัมภีอุทานเนี่ยนะข้อแปกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากออกจากสมาธิคืออรหัตตผลสมาธินี่นะก็เข้าพิจารณาอย่างที่กล่าวไป ตรวจดูสัตว์โลกด้วยผู้ทัจจสุได้ทรงเห็นหมูสัตว์ผู้เดือดร้อนอยู่ด้วยความเดือดร้อนเป็นอันมาก น, นะคือเมื่อพิจารณาดูหมดแล้วอ่ะไม่มีใครไม่เดือดร้อนเลย น, น, นะตั้งกรรมมรรคอ่านรกจนถึงจา น, นวนว่าภาวะกระพริมนี่นนะเดือดร้อนกันหมดอนะ่ะไอคําว่าเดือดร้อนในที่นี้ก็คือปีลณนับโถนะท่านเห็นเป็นความเดือดร้อนหมดเลยผู้การเข้าใจเลยนะปีลณนับโถเป็นไงผู้การอธิบายนี่นั่งเงียบๆอยู่ข้างหลังไม่ได้ ไม่อยู่ข้างหน้าเนี่ยตั้งสองล้ำมั น, นให้ผู้การว่าปีละนับโถนี่นะนะโอ้ปีละนับโถทั้งนั้นเลยนะส ร, รพพสัตวเนี่ยปีละนับโถก็เป็นลักษณะของการเบียดเบียนนะซึ่งสรรพสัตทั้งหลายนี่นฮะถูกเบียดเบียน ด้วยด้วยลักษณะประจำเหมือนกันคือเบียดเบียนด้วยความแก่ความชราด้วยพยาทีเนี่ยเป็นประจำอยู่ทุกคนอยู่แล้วไม่มีเป็นพื้นอยู่แล้วทุกคนไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงเลยแล้วก็ยังถูกเบียดเบียนด้วยตัวกินเลต ข, ของตัวเองอีกครับซึ่งกินเลตเหล่านี้ก็แต่ละคนก็เบียดเบียนตัวเองครับที่เป็นเอ่า อกุศลมูลทั้งหลายซึ่งเบียดเหมือนเพชฌฆาดภายในฆาสดภายในอมิตรภายในสัตรูภายในนี่กับเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาครเข้าห้องก่อเบียดเบียนนะครับเดินทางก่เบียดเบียนไม่ว่าไปไหนเข้าห้องน้ําก็อเบียดเบียนเบียดเบียนไม่มีหยุดเลยสักสักครั้งคอยหาโอกาสคอยจ้องที่จะเบียดเบียนเพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่าสงสารด้วยกันทุกๆคนครับบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายขับรถไปใน ทำการพระนคร น, นี่จะเห็นเลยครับทุกคนนี่กาลังสแสวงหาอาหารทุกคนหลดหมดเลยไม่มีเว้นทักคนเลยคขับรถไปก็ขับไปหาอาหารนักเรียนไปเรียนหนังสือก็ไปเรียนเพื่ออาหารไม่ว่าอะไรแม้แต่สุ น, นัขมันเดินไปก็เพื่อหาอาหารไม่มีต่างกันเลย <c oughs> ก็ความทุกข์เกิดจากการสแสวงอาหารของสัตว์โลกพระองค์ก็ตัดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อไปสแสวงอาหารเนี่ยมันไม่หาอาหารง่ายๆอาหารอาหารแต่ละอย่างไม่ใช่หามา ง, ง่ายๆนะแล้วก็บังหาไม่ได้ความเหนื่อยยากทุกอย่างทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์โลกนั้นตกทุกได้ยากเพราะสแสวงอาหารนี่ก็เป็นปีลณัดโถอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องของออทุกขสัตว์จะดื่มั่งครับ แล้วตามสติว่าไงเบียดเบียนยังไงสัตว์โลกนีก็เบียดเบียนนี้ก็เป็นอัตตะของอความทุกข์อยู่แล้วนะครับอย่างที่บุ ก, การว่าจากการที่เราเห็นว่าทุกภัยต่างๆที่เราได้รับจากจา ก, การที่จะต้องมีความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายจากกิเลสต่างๆแต่ของพรหมนี้เขาไม่มีความเจ็บไม่มีความปวดนะรับเขาไม่มี อการที่จะต้องมาแสวงหาอาหารแต่ว่าเขาถูกเบียดเบียนได้ยังไงนะครับพีมนต์พระคุณเจ้าช่วยอธิบายครับถ้าพิจารณ า, นานถึงสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยนมันมีความเบียดเบียน ด, ด้วยอย่างหนึ่งก็คือเบียดเบียน ด, ด้วยชาติทุกชาราทุกพญาธิทุกขมรณะทุกโสกรปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตทุกเนี่ยนะนั้นไอ้ทุกเหล่านี้เนี่ยสัตว์ไม่กันดานกัน ใน น, ร, นรกเปรดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาเนี่ยไม่กันดานทุกเหล่านี้ถึงเทวดาก็ยังมีความเสียใจอยู่ใช่ไหมเสียใจใบ่อยด้วยเหมือนกันนะเทวดาที่มีมา n ะมากๆจะเสียใจใบ่อยเห็นคนอื่นมีรัศมีมากกว่าก็เดือดร้อนอะ่ะเนี่ยนะก็คือกลุ่มริศยาเนี่ยนะใ น, น, ะนกลุ่มมัชชิยะเป็นตนพันสัตว์ทั้งหลายโดยปกติในการ ม, มาวาจรภูมิเนี่ยเป็นสัตว์ที่เดือดร้อนด้วย ชาติชรพาพญาที ม, มรณะโศกะปริเทวะทุกขโ ท, โทมนัตและอุปายาตอยู่เนืองๆทุกเหล่านี้ไม่ ก, กันดานสําหรับพรหมทั้งหลายเนี่ยเขาก็ถามว่าเขามีความสุขใช่ไหมใช่เขาบริบูรณ์ไปด้วยสุขเวทนาเนี่ยนะเขาบริบูรณ์ไปด้วยสุขเวทนาแต่ว่าในหมู่พรหมทั้งหลายก็ยังมีราคะอยู่ราคะก็เป็นตัวที่เป็นเหตุแห่งความเบียดเบียนอยู่เนี่ยนะ มันเหมือนกับว่าเขาแค่ได้ยาลดไข้ไปเท่านั้นเองได้ยาลดไข้ซึ่งหรือบรรเทาปวดนะนะก็คือบรรเทาปวดแต่หมายความว่าถ้าเขายังมีฉันทราคาในอุปาทานขันก็ต้องเวียนกลับมาปวดอีกอยู่ดีเนี่ยนะซึ่งอายุของของการเกิดในพรหมโลกก็มีเงื่อนไขที่จํากัดว่ามีอายุที่ชัดเจนเมื่อมีอายุที่ชัดเจนนั้นก็ประกาศถึงว่าไม่นานนะเขาจะเวียนกลับมาหาความทุกข์เหล่านั้นอีก อย่างที่เคยถามว่าความสุขกับความทุกข์นะอะไรจะดูนานกว่ากันสมมติว่ามีความสุขสัก1ิปีเหมือนกันกับทุกสิ0ปีเนี่ยนะสิ่งไหนรู้สึกว่าช้าสิ่งไหนที่รู้สึกว่านานก็บอกว่าความทุกข์แม้แต่วันเดียวเนี่ยเหมือนกันเนี่ยรอรถครึ่งชั่วโมงกันไหมหมายมันดูเหมือนกับว่ารอมาสามวันแล้วอย่างไงเพราะปกติสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทุกข์กับความทุกข์เนี่ยจะรู้สึกช้ามาก แต่ถ้าความสุขนะพรหมโลกถึงจะอายุกี่กับก็ตามมันก็แพ้เดียวสำหรับผู้ที่ที่มีปัญญาขนาดนั้นนะหรือผู้ที่พิจารณาเห็นหรือคนที่มีความรู้รู้สึกอย่างนั้นนะเขาเหมือนกับว่ามันไม่นานอะไรเพราะฉะนั้นความสุขในพรหมโลกเหล่านั้นนะก็ไม่มีความเที่ยงอยู่ในตัวเมื่อไม่เที่ยงจะมีความสุขมาจากไหนอันนี้ถ้าถ้ามองด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถูกเบียดเบียนอยู่เหมือนกัน ในขณะเดียวกันนั้นพรหมะมโลกพรหมทั่วทไปเนี่ยนะที่ที่ไม่ได้เป็นพระอริยสาวกก็จะเดือดร้อนด้วยทิฏฐิพรหมบางพวกก็เดือดร้อนด้วยศัตรทิฏฐิพรหมบางพวกก็เดือดร้อนด้วยอํานาจของอุเฉททิฏฐิเนี่ยนะก็ยังมีทิฏฐิอยู่อันทิฏฐิอันนั้นก็เป็นเหมือนโรคเป็นเหมือนฝีเป็นดังลูกศรแล้วก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์ต่อไปอันพรหมทั้งหลายก็ยังเดือดร้อนเพราะกิเลสอีกอยู่ดีนียนะ ทีนี้ในขณะเดียวกันนะีก็ถ้ากล่าวโดยวัตตาอัญยาวนาเน่ยนะนะที่เราทั้งหลายที่นั่งกันอยู่นี้ก็เคยเป็นพรหมมาแล้วนั่นแหละนะก็คือพูดแบบคนเคยเป็นนะ่ยนะอดีตไหมเหมือนเราสานวนสมัยใหม่ครับก็มีศั์พูดกันเกลื่อนเะน่ยนะก็บอกข้าวผัดอะไรนะผัดไทยคนเคยรวยมานะนะนะซึ่งจะแปลว่าตอนนี้มันไม่ใช่ใช่ไหยอย่านงะพรห ม, มาโลกทั้งหลายเราก็นึกเออมันก็จะต่างอะไรจากฝันนั่นแหละนะนะมันก็ฝันขึ้นมาทั้งนั้นอ่ะนะนะ อดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเอ่ความความสุขเหล่านั้นก็เป็นสภาพที่ไม่เที่ยงและจะสุขมาจากไหนเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีความเดือดร้อนอยู่ในตัวเดือดร้อนด้วยอํานาจของกิเลสแล้วก็ดูดร้อนด้วยอํานาจความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายพระอง์ก็เห็นเอ่อความเดือดร้อนของชาติชรา ม, มรณะของสัตว์เนี่ยนะและยังเห็นความเดือดร้อนอีกที่เกิดจากราคะความเดือดร้อนที่เกิดจาก โทสะความเดือดร้อนที่เกิดจากโมหะเพราะฉะนั้นทุกคนที่ที่เรารู้จักเนี่ยนะไม่มีใครที่ไม่เดือดร้อนด้วยกิเลสสามตัวไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งในขณะหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะในขณะหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะเดือดร้อนด้วยราคะบ้างเพราะความต้องการเนี่ยนะทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ยนะเดือดร้อนเพราะความอยากว่านั้นล อ, อย่างหนึ่งทีนี้ในสิ่งที่เขาอยากเมื่อมันไม่เป็นอย่างที่อยากอะไรจะเกิดเขาก็เดือดร้อนเความเสียใจ เพราะทุกอย่างที่เขาต้องการเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการเสมอไปสิ่งใดที่ต้องการแล้วผู้ใดสมความต้องการผู้นั้นคือผู้มีบุญแต่ในบรรดาผู้มีบุญมันก็มีไม่มากหรือในขณะเดียวกันเนี่ยนะคนที่ปรารถนาสำเร็จกับปรารถนาแล้วไม่สำเร็จอันไหนมากกว่ากันเนี่ยนะคนที่ที่เคยมีความต้องการสูงสงมาตลอดเนี่ยนะเพราะในความต้องการหนึ่งวันสมก็ต้องการสิบเรื่องนะมันจะได้จริงๆสักเรื่องเดียว ไอ้ที่เหลืออีกเก้าเรื่องก็ไม่ได้อย่างที่ต้องการเพราะเก้าเรื่องที่ไม่ได้อย่างที่ต้องการเนี่ยเป็นเหตุแห่งความทุกข์เป็นเหตุแห่งความโทมนับทั้งนั้นเลยแต่ว่าทั้งความต้องการและความเสียใจเหล่านั้นมีใครเห็นนิพพานสุขมั่งไหมในระหว่างนั้นก็ไม่เห็นอันนั้นแหละเป็นภัยคือคือโมห oh ะที่ที่เข้าเป็นอยู่เพรา ะ, ะนั่นก็เดือดร้อนด้วยอํานาจของ โมหะโมหะก็แผดเผากลุ่มรุมทําให้เขาเดือดร้อนทําให้เขาเร่าร้อนปัญหาทั้งมวลนี่ยนะถ้าตามคำสอนของเราถือว่ามีโมหะเป็นเป็นรากเงาความเดือดร้อนความทุกข์สารพัดชนิดเนี่ยนะเกิดในโลกนี้มีโมหะเป็นเป็นมูลรากนั่นคุณหมอถ้าที่ไปอินเดียมาเนี่ยนะก็บอกว่าเออที่เห็นเนี่ยมูลของโมหะทั้งนั้นน่ย ถ้าไม่มีโมหะไม่มีทุกแบบนี้หรอกเนี่ยนะถ้าเขารู้อริยสัจเขาจะไม่ทุกแบบนี้เลยเนี่ยนะถ้าเรารู้อริยสัจเราก็ไม่ไปทุกแบบนั้นอีกเราก็ไม่ต้องมาทุกอย่างนี้อีกเนี่ยนะของเราที่นั่งกันอยู่นี่ก็เหมือนกันถ้าไม่มีโมหะนั้นไม่ได้เดือดร้อนกันขนาดนี้หรอกเนี่ยนะไม่ได้เดือดร้อนหรือว่าหนึ่งถ้าสิ้นโมหะไม่มีความเดือดร้อนทางใจก่อนเนี่ยนะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะกิเลสทีนี้ถ้าสิ้นโมหะก็สิ้นกรรมถ้าสิ้นกรรมก็ไม่มี ไม่มีความทุกข์ที่จะมีต่อไปในปฏิสนธิอีกเนี่ยนะเมื่อไม่มีปฏิสนธิแล้วกองทุกข์ทั้งมวลเนี่ยจะมีมาจากไหนเนี่ยนะเพราะว่าทุกข์ทั้งมวลนม่มีอะไรเป็นแดนเกิดก็บอกมีชาติเป็นแดนเกิดถ้าไม่มีชาติชราจะมีมาแต่ไหนถ้าไม่มีชาติโรคทั้งหลายจะเกิดมาจากไหนถ้าไม่มีชาติความทุกข์ความความเดือดร้อนความเ้าร้อนความลาบากอ่ะนะ จะมีมาจากไหนแต่เนื่องจากมีมีชาติแต่สัตว์ทั้งหลายด้วยอํานาจของวิปาัาสด้วยอํานาจของกิเลสกลับเพลิดเพลินในชาติะนะถามว่าจริงหรือเปล่าเพลิดเพลินในชาติก็สังเกตดูจากว่าวันที่ได้หลานเนี่ยดีใจขนาดไหนดีใจหรือยังไงหรือวันที่ได้ลูกก็ได้กูมันชูยิ้มไม่เหมืนที่ได้หลาน ก็ดีใจเหมือนกันนะอา้าวศึกษาธรรมะมาตั้งเยอะแล้วนึกว่าจะเห็นโทษของวัตตะขึ้นที่ไหนได้เนี่ยนะก็ยังมาเออหลานเราอยู่ดีก็ธรรมดาะคนอื่นก็ของมาเอ็ดดีใจหรือเปล <etaan> ่ามัน <Invest> สัตว์ทั้งหลายก็เนี่ยเพลิดเพลินในการมีชาติอานะถ้าเพลิดเพลินในชาติของผู้อื่นอยู่ไม่จํากล่าวถึงชาติของตัวไม่ไม่จําเป็นต้องพูดถึงว่าตัวเองจะเพลิดเพลินในสิ่งนั้นขนาดไหนว่าว่าตัวเองเนี่ยเพลิดเพลินชาติ มันก็ผู้ที่เพลิดเพลินในชาติก็คือเท่ากับเพลิดเพลินอะไรด้วยเพลิดเพลินในชราเพลิดเพลินในพยาธิและก็เพลิดเพลินในมรณะเท่ากับเพลิดเพลินในกองทุกนั่นเองผู้นั้นก็ไม่พ้นแต่จากทุกยไงเพราะโมหะนี่แหละเป็นเป็นสมุทฐานเป็นรากเง่าพระอริยะทั้งหลายท่านจะพูดบอกว่าท่านถอนตันหาพร้อมทั้งมูลรากได้แล้วเั้นมูลรากของตัหาก็คืออวิชชานั่นเอง สิ่งที่เป็นปฏิปักิต่ออวิชานั้นก็คือความรู้ในอริยสัจเนี่ยนะถ้าผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจก็ไม่ใช่ฐานะที่จะทอนอวิชชาได้ในพระองค์ก็พี่ารณาเห็นถึงทุกขังมวลของสัพพสัตทั้งหลายนอนั่งถ้าเราตั้งคาถามแบบว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะเห็นใครมีความสุขที่แท้จริงกันบ้าง เนี่ยนะเออเนี่ยแหละเขาเข้าถึงความสุขแล้วล่ะเออนี่แหละเป็นอุดมการณ์ของชีวิตที่เราจะต้องเข้าถึงจุดนี้ให้ได้เห็นไหมมีไหมคุณผูชูเจ อ, อยังเออเนี่ยเราจะต้องไปเป็นแบบนี้ให้ได้โอ้ดีจริงๆนะเออความความสุขแบบนี้เราต้องหาให้ได้ผู้ ก, การสายหาไม่เจอมั้งนะผู้ ก, การธนัทไปมาเกือบรอบโลกแนละ้วเจอมหม ย, ยังเลยนาะยังไม่เจอมั้งกันนะก็ไปเจอแต่ทุกข์กริย์อ่ะไปเจอความสุขได้ยังไงนะก็อยู่แต่กับทุกข์กริย์เพราะฉะนั้น สิ่ง ท, ที่ปรากฏทั้งมวลล้วนแต่ล้นอะไรล้วนแต่ทุกข์เหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เป็นความสุขที่ทสมบูรณ์อย่างแท้จริงเนี่ยนะมันเป็นความเดือดร้อนมันเป็นความเลวร้อนแล้วก็ชอบใจอคำหนึ่งนะในบรรดาโตๆโตโตทั้งหลายเนี่ยนะมันจะมีข้อสุดท้ายอยู่ว่าสังกิเลสิกะอ่ะนะหรือถ้าอย่างที่อาจารย์สันติ ยกปาสราสิสูตรมากล่าวประจำใช่ไหมว่าตัวเองเป็นผู้มีชาติเป็นธรรมดาและยังปรารถนาสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาอยู่หรือตัวเองเป็นผู้ที่มีชราเป็นธรรมดาและยังปรารถนาสิ่งที่มีชราอยู่เป็นธรรมดาอีกหรือตัวเองเป็นผู้ที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาและยังแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้อีกอยู่หรือตัวเองเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาและยังแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอีกหรือตัวเองเป็นสิ่งที่เรียกว่า <atto. S 1> อนะอุปาญาตเนี่ยนะคับแค้นใจเป็นธรรมดาแล้วยังแสวงหาสิ่งที่มีความคับแค้นใจเป็นธรรมดาอยู่หรือตัวเองเป็นผู้ที่เศร้าโศกเป็นธรรมดาแล้วยังแสวงหาความโศกเป็นธรรมดาอยูหรือตัวเองเป็นผู้ที่มีความเศร้าหมองเศร้าหมองตัวนั้นมาจากสังกิเลสมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาแล้วยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองอีกอยู่หรือถามว่าไอ้สังกิเลสตัวนั้นมีสามอย่างเนี่ยนะเป็นยังไงนนัสามอย่างก็คือ อุปาทานขันทุกชนิดเป็นที่ตั้งแห่งสังกิเลตคือทุจริตนะนะถ้าพูดแบบทั่ ว, วไปนะมีอุปาทานขันไหนบั่งที่ไม่ทําทุจริตเนาะถ้าเอาเฉพาะของเราที่นั่งกันอยู่นี่ไม่มีเลยนะที่ไม่ทําทุจริตนะไม่กายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตอันนี้ถือว่าความเศร้าหมองของอุปาทานขันข้อหนึ่งก่อนนํามาซึ่งทุตจิตทั้งหลาย ข้อสองบอกว่านำมาซึ่งตันหามีอุปาทานขันไหนบ้างมีทวารไหนบ้างที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาเพราะฉะนั้นอุปาทานขันเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งสังกิเลสความเศร้าหมองคือตันหาแล้วก็อนสุดท้ายเนี่ยนะมีอุปาทานขันไหนบ้างไหมที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิไม่มีเพราะฉะนั้นอุปาทานขันทุกชนิดกองทุกทั้งมวลล้วนแต่มี ทุจริตเป็นที่ตั้งมีตัญหาเป็นที่ตั้งแล้วก็มีทิฏฐิเป็นที่ตั้งท่านสิ่งเราสิ่งเหล่านี้ทั้งมวลล้วนแต่มีความเศร้ามองเป็นธรรมดานะปองปะพี่เจรนาถึงทุกของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ซึ่งตรงกันข้ามจากพระองค์ตอนนั้นนี้พระองค์เป็นผู้พ้นแล้วจากกองทุก ถ้ามีผู้ตั้งคำถามว่าอา้าพระพุทธเจ้าพ้นจากกองทุกข์ได้ยังไงเพราะในขณะนั้นพระ อ, องค์ก็ยังไปเป็นไปกับชราพยาธิมรณะอยู่ไม่ใช่หรือในขณะนั้นน่ะแล้วหลังจากนั้นอีกสี่บ้าปีใช่ไหมกว่าพระ อ, องค์จะดับขันปริญิพานแล้วพระ อ, องค์บอกว่าไงว่าพระ อ, องค์พ้นทุกข์แล้วคือหนึ่งพระ อ, องค์นี้พ้นจากอวิชชาเมื่อพ้นจากอวิชชาพระองค์ก็พ้นจากตัณหาเมื่อพ้นจากตัณหา ก, กรรมก็ไม่มีผลเมื่อกรรมไม่มีผลพระ อ, องค์ก็เป็นผู้พ้นปฏิสนธิในภพทั้งปวง นะอันนี้คือทุกในอนาคตทั้งมวลล้วนแต่ไม่มีแล้วก็อย่างหนึ่งพระ อ, องค์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุใดแล้วก่อให้เกิดอกุศลจิตแม้แต่หน่อยเดียวเพราะสัตว์ทั้งหลายปกติก็ทุกพ่ออกุศลนะทุกพ่อราคะทุกพ่ะโทสะทุกพ่ะโมหะทีนี้พระองค์ไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยนะทุกเหล่านั้นจะมีได้อย่างไงเพราะฉะนั้นเรียกว่าเล็งเห็นทุกในปัจจุบันเนี่ยนะเฉพาะทวารใจเนี่ยพระ อ, องค์ไม่มี เล็งถึงทุกในอนาคตที่จะนําปฏิสนธิในภพภูมิทั้งมวลพระองค์ไม่มีอัพระองค์จึงเป็นทั่วที่มีความสุขอย่างแท้จริงแต่สัตว์ทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเอะจะช่วยเขาได้ยังไงว่างั้นจะช่วยเขาพ้นทุกข์ได้ยังไงอันในขณะนี้ก็คือพิจารณาสภาพที่เป็นจริงของสรรพสัตว์ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาเดือดร้อนกันยังไงเนี่ยมันก็ ถ้าสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้นึกว่าตัวเองเดือดร้อนอยู่นะยากที่จะยากที่จะเข้าใจธรรมะนะแต่ถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยดีหมดแล้วสมบูรณ์แล้วเช่นถือว่าฉันเนี่ยถึงที่สุดแห่งความสุขแล้วะนะอยู่กับความสุขอย่างแท้จริงอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ชาติหน้ามันตายแล้วศูนย์ผู้ใดก็ตามถ้ามีความเห็นอย่างนี้เนี่ยคำสอนจะไม่เหมาะกับเขาเลย เ, นะเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาคําสอนเนี่ยนะส่วนที่ยอมรับเป็นอัธยาศัยก็คือว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีทุกข์อยู่นะอย่างภาษาบริบุตรที่ท่านออกบวชนี่ก็คืออะไรก็คือตารบถึงความทุกข์นะเนี่จะโมเพลิดเพลินอะไรกันเนาอีกไม่ถึงร้อยปีก็จะตายกันหมดแล้วเนี่ยนะก็ประกาศถึงว่าทุกข์นั่นแหละ เ, นะเพราะว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงอะ่ะสิ่งนั้นเป็นเป็นทุกข์ใช่ไหมทายัางไงที่จะพ้นจากสภาพทุกข์เหล่านั้นได้